สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเรซูตอนที่สี่ร้อยเก้าสิบหกเซูในพระธรรมฮีบรูพี่น้องครับโปรเจนะาพระเจ้าในเช้าวันนี้ฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่สามในบูรณการพระเจ้าได้ตรัส ด, ด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกผู้เผยโปรจนะ่า แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระเจ้าได้รจัดแก่แล้วทั้งหลายทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับสรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกาลปะจักษวาลโดยพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสงาราศีของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงพดุงสรพสิ่งไว้โดยพระดํารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระบุตรได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้ทรงประทับนั่งณเบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบนพี่น้องครับพระเยซูในพระธรรมฮีบรูเราจะเห็นชัดเจนครับว่าผู้เขียนพระธรรมฮีบรูซึ่งในพระคัมภีร์ฉบับทิงเจมก็ได้ระบุชัดเจนเลยว่าผู้เขียนนี้คือเปาโล แต่ท่ามกลางนักวิชาการทั้งหลายที่ได้ตรวจและหาว่าใครเป็นผู้เขียนพระธรรมฮีบรูกันแน่เพราะเนื่องจากว่าในพระธรรมฮีบรูนี้ไม่ได้มีบันทึกว่าใครเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นนักวิชาการสมัยใหม่ก็เลยไม่สามารถบอกอย่างเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นใครเขียนจะเป็นเปาโลหรือจะเป็นคนอื่นซึ่งมันอาาัครทูตคนหนึ่งเพราะ พระธรรมฮีบรูนั้นไม่ได้ระ บ, บุคนเกียนชัดเจนครับแตอย่างไรก็ตามจดหมายฝากถึงคริสเตียนชนชาติฮีบรูหรือชนชาติยิวนั้นก็มีเอกลักษณ์มากถามว่าเอกลักษณ์คืออะไรครับเอกลักษณ์ก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในพระธรรมฮีบรูนี้พระธรรมฮีบรู ก, กําลังพรีเซนต์หรือกําลังนําเสนอพระเยซูในฐานะที่ ชาวยิวหรือชาวฮีบรูนั้นจะรู้จักได้อย่างรวดเร็วเพราะเหตุที่ว่าธรรมบัญญัติของคนยิวนั้นไม่สอนเรื่องพระเมสสิยาได้สอนเรื่องการถวายบูชาได้สอนเรื่องพระวิหารในขณะเดียวกันครับสมัยที่พระธรรมฮิบรูถูกเขียนอยู่นั้นในบทที่สิบข้อที่สิบได้กล่าวชัดเจนครับว่าพระวิหารของชาวยิวนั้นยังไม่ถูกทําลายและในขณะเดียวกันครับ ฮีบรูบทที่สิบาเขายบสามยี่บสี่เขาบ่งบอกชัดเจนว่าจดหมายฉบับนี้นั้นเขียนจากกรุงโรมอาจจะเป็นช่วงที่เปาโลนั้นถูกขังคุกครั้งแรกที่กรุงโรมก็ได้หรืออาจจะเป็นอัครทูตคนไหนก็ได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามเอกลักษณ์ของพระธรรมฮีบรูนั้นก็คือหนึ่งหนุนใจคนยิวที่เป็นคริสเตียนหนุนใจผู้เชื่อชาวยิวหรือว่า believing b e l i e v e s นะครับ ว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูได้เป็นผู้ที่ทำให้ธรรมบัญญัติของโมเสสและจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของธรรมบัญญัตินั้นสำเร็จลงประการที่สองก็คือพระธรรมฮีบรูพรยายามที่จะชักจูงหรือพยายามที่จะลงหลักปักฐานในความเชื่อของคนหิวเมื่อคนหิวนั้นหลงไปจากความเชื่อในพระเยซูคริส กลับไปหาศาสนายิวและการถือบัญญัติของโมเสสอีกนี่คือวัตถุประสงค์สองประการของพระธรรมฮีบรูนี้และผู้ที่สําคัญที่สุดในจดหมายฝากพระธรรมฮีบรูนี้คือพระเยซูครับที่นี่เขียนไว้ชัดเจนครับว่าพระเยซูทรงดีกว่าพวกทูตสวรรค์มากนักดีกว่าโมเสสดีกว่าโยชูวาดีกว่าอารอนดีกว่า บรรดาศาสดาพยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะในพัมพีเดิมทุกทุกคนหมายความว่าดีกว่าคือการอยู่เหนือกว่าและพระธรรมฮีบรูสอนว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับผู้เขียนเริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่ว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าทรงอยู่เหนือสิ่งใด หรือทุกสิ่งที่พระคัมพีเดิมมีเสนอไว้ให้ผู้เขียนเริ่มต้นโดยชี้ให้เห็นว่าการก่อนนั้นพระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพรชนะหรือผู้พยากรณ์แต่บัดนี้พระองค์ได้ทรงตรัสผ่านพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ยิ่งไปกว่านั้นพระเยซูทรงดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างและพระองค์ จะปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคําว่าในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสโ ด, ดวยวิธีการต่างๆมางหมายก็คือในแต่ละยุคแต่ละยุคหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกผ่านทางพระเยซูผ่านทางพระวัสสกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ตกอยู่ภายใต้มิติของเวลาทั้งสิน้นและด้วยเหตุนี้เองหลังจากที่การทรงสร้างนั้นเกิดยุคแต่ละยุคยุคการทรงสร้างยุคของอาดัมเอวายุค ข, ของโนอา ยุคของอับราฮัมยุคของกษัตริย์ดาวิด ย, ยุคของผู้เผยพระชนะจนกระทั่งมาถึงยุคของพระเยซูซึ่งยุคของพระเยซูนั้นถือว่าเป็นวาระสุดท้ายที่พระเจ้าได้ให้พระเยซูเป็นพระวาระที่ได้ตรัสความจริงเกี่ยวกับเรื่องแผนการแห่งความนิรันต์แห่งการแห่งความรอดของพระเจ้ามาถึงทุกทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงมีความหมายว่าพระเจ้าได้ตรัสหลายครั้ง หลายวิธีในอดีตสื่อกลางของการเปิดเผยการตรัสของพระเจ้าก็คือศาสดาพยากรในข้อที่สองนี้บอกว่าแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระเจ้าได้ตรัสกับเราทางพระบุตรนั่นหมายความว่านับตั้งแต่ที่พระเยซูบังเกิดในโลกนี้จนกระทั่งถึงการตึงการเขนของพระเยซูและก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับคืนสู่พระบิดากลับคืนสู่สวรรค์ นั่นแหละครับคือการตรัสของพระเยซูซึ่งเป็นคำตรัสของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระวาทะพระเยซูทรงเป็นผู้ที่สะท้อนให้เราเห็นถึงพระบิดาให้เราเห็นถึงน้าพัดไพยของพระบิดาให้เราเห็นถึงคำตรัสของพระบิดาเจ้าโดยเห็นนี้เองพระเยซูในสมัยของอัครทูตนั้นเป็นผู้ที่ตรัสให้เขาได้ยินเป็นผู้ที่พูดเป็นผู้ที่ทําให้เขาเห็น เป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตให้เขาได้สัมผัสได้จากตรงนั้นนั่นเองครับในเพิ่มพีฮีบรูนั้นถือว่านี่คือคําตรัสในยุคสุดท้ายซึ่งเป็น the last prophet แต่ last prophet มีทอมหมายว่าพระเยซูนั้นนอกจากพระเยซูนั้นไม่มีทางรอดอื่นครับนอกจากพระเยซูไม่มีคําตรัสอื่นครับหลังจากพระเยซูพี่นะครับในหลายๆกลุ่มคริสเตียนหรือในในหลายๆลัทธิความเชื่อ หรือในบางศาสนาได้กล่าวอ้างว่าตนนั้นเป็น the last prophet หรือกล่าวอ้างว่าตนนั้นมีสนันภาพเป็น prophet นะครับก็คือศาสด า, าพยากรณ์ซึ่งไม่ถูกต้องแล้วกลับมาดูนะครับในบทที่หนึ่งข้อที่สองวาระสุดท้ายนี้นะครับผู้เขียนนั้นได้ใช้หมายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ทำให้เราได้เห็นว่าการรับเสด็จนะครับพระเยซูครั้งแรกเลยก็คือการเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์และการสัมแดงความจริงทั้งหมดผ่านทางพระเยซูจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในเทศกาลการรับเสด็จนี้ผมอยากจะเห็นถึงว่าความสาคัญของพระเยซูที่มีต่อชีวิตของเรานั้นสูงส่งยิ่งนะัก และมีความหมายยิ่งนักและช่างเป็นหน้าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ย, ยิ่งนักเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะรับเสด็จพระเยซูในฐานะนองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราและของโลกทำให้เรารู้ถึงความสำคัญว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูมาจากไหนและพระเยซูมาเพื่ออะไรพี่น้องหากเราตอบได้ว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูมาจากไหนพระเยซูมีวัตถุประสงค์ มาเพื่ออะไรเราก็จะขอบคุณพระเจ้าและซาบซึ้งได้เพราะเหตที่ว่าเมื่อเราซาบซึ้งและขอบคุณพระเจ้าชีวิตของเราในเทศกาลรับเสด็จนี้จึงจะเป็นชีวิตที่เราทั้งหลายจะต้องแสวงหาพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แสวงหาการใกล้ชิดพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แสวงหาการได้ยินพระวจนะคาสัตย์ของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อาเมน